เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสตานีวิทยุคราบครัวกาวสตร .FM 106ฟับ็ระขาพเจ้าพร ะ, ระมหาไพบูญอาพภิปุณโนจากวัดป่าดอนนายโศกอําเภอนองหานจังหวัดอุดรธานีเรามาพูดคุยเรื่องราวที่เป็นธรรมะนันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคประกาศเอาไว้ดีแล้ว คำ ว, า, วาดีแล้วในที่นี้นหมายถึงตัวผู้ประกาศเองก็ดีแล้วทําจิตใจให้ดีแล้วโดยการที่หมดแล้วซึ่งราคาโทสะแล้วก็โมหะแล้วก็ยังรวมถึงข้อมูลที่ประกาศนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วด้วยดีแล้วด้วยความเป็นบทปพยนญชนะที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ใช่แค่บทปพยนญชนะอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงเนะื้อหาความหมายความลึกซึ้งที่เป็นโดยอาาัฏฐ แล้วก็มีความหมายโดยอัธยาอีกหลายนัยยะหลายนัยยะอันนั้นก็ดีแล้วด้วยความดีความงามที่ทั้งผู้ที่ประกาศธรรมะทั้งตัวเนื้อหาของธรรมะยังรวมถึงผู้ที่เอาธรรมะนั้นไปใช้ไปฟังไปปฏิบัติก็สามารถที่จะทําให้เกิดความดีความงามขึ้นมาด้วยได้อย่างนี้เขาเรียกว่าดีทั้งในเบื้องตนน้นคือผู้ที่ประกาศดีทั้งในท่ามกลางคือตัวธรรมะที่ประกาศนั้น ดีทั้งในที่สุดนั่นคือพูดถึงคนที่นํำอัมตมานี้ไปใช้งานแต่ความหมายอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่างดงานในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดก็ได้แต่ซึ่งเวลาเราฟังธรรมะจากเนื้อหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากทางออสื่อวิทยุอย่างที่ท่านู้ฟังฟังอยู่ในขณะนี้ก็ได้หรือว่าเป็นสื่อทางวิดีโอหรือว่าทางข้อเขียนเป็นเอกสารเป็นหนังสือต่างๆก็ตามนี่บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดเขา เขียนขึ้นคิดขึ้นทําสื่อต่างๆเหล่านั้นขึ้นเราก็ต้องเอามาจากที่พระพุทธเจ้าของเราได้บอกได้สอนเอาไว้นั่นเองแต่ซึ่งความรู้ความเรียนนี้เป็นสิ่งที่เปิดกว้างให้กับทุกคนเข้าศึกษาได้จะเป็นชนชั้นกษัตริย์จะเป็นชนชั้นขรรดาดีจะเป็นข้าราชการหรือว่าเป็นพลเรือนหรือว่าจะเป็นยาจกคนขอทานอาชีพกเกษตรกรรมหรือว่าอาชีพทําอุตสาหกรรมเป็นอาชีพเป็นหมอเป็นวิศวะเราก็สามารถศึกษา สามารถที่จะนำธรรมะนี้ไปใช้ได้คนที่อยู่ในอาชีพนั้นๆเราก็จะมีความทุกน้อยลงมีความสุขได้ง่ายขึ้นสิ่งที่จะทำให้เขาเป็นทุกนั้นก็จะมีน้อยลงน้อยลงสิ่งที่จะทำให้เขาเป็นสุขนั้นก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นคือสุขง่ายขึ้นและทุกได้ยากขึ้นซึ่งไอาการเรียนการสอนกันที่เรามาศึกษาคำของพระพุทธเจ้านี้กเจาต้องเ น, นยับนิดหนึ่งว่าข้อมูลต่างๆที่ท่านผู้ฟัง ศึกษาหรือว่านำมาทําการไคร่ครวนทำมาคิดพิจารณาเนี่ยมันก็มีข้อมูลหลักฐานอยู่หลายชั้นด้วยกันนั่นไล่มาตั้งแต่ข้อมูลที่เป็นพุทธพจน์นั่นคือหมายถึงสิ่งที่พระรูชาได้ตราอาไว้อันนี้ก็ระดับหนึ่งแต่ข้อมูลถัดมาก็เป็นข้อมูลระดับที่ครูบาอาจารย์หรือว่าเหล่าสาวกในรุ่นหลังๆ ห, หรือแม้แต่ในยุคพุทธกาลก็ตามที่อาารได้อธิบายหรือว่าขยายความในข้อมูลที่เป็นพุทธพจน์ตรงนั้น ซึ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ที่ท่านควรจะต้องทํเนื่องจากว่าภิกษุสงฆ์ในไม่ว่าจะเป็นในสมัยพุทธกาลหรือในสมัยปัจจุบันก็ตามแตะเราก็จะต้องทําหน้าที่ในการที่จะอธิบายหรือว่าทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งแต่คือ2ใน6หน้าที่นี้ก็คือ1ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังอาจจะเป็นเรื่องราวพระสูตรที่เป็นโดยอัตตะหรือโดยเพียรชนะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้ง ก็คืออถาอธิบายเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นให้ถูกให้ต้องโดยความไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรยิยชนะแต่คือตัวาภาษาเองภาษาบาลีบ้างภาษาอื่นๆบ้างภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างหรือ แ, แม้แต่เรื่องของโดยอัฐฐตถะนั่นคือหมายว่าความหมายที่ลึกซึ้งมีกี่นัยยะนัยยะอันนี้ก็ทําได้ควรทําด้วยเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าบอกให้ภิกษุนั้นกระทำโดยซ้าเพราะฉะนั้นในเรื่องของคําอธิบายต่างๆเหล่านี้ โดยนัยยะต่างๆที่ข้าพเจ้าได้อธิบายมาในรายการตลอดเวลาเนี่ยเป็นเวลาหลายปีแล้วที่มาที่สถานีบุริยแห่งนี้นักเริ่มฟังก็ต้องร้องไคร่ครวญแล้วก็กลับไปที่ตัวเนื้อหาเดิมและการฟังการไคล้ครวญ น, นี้ต้องกลับไปที่ตัวแม่บทแต่ก็เรียกว่าเป็นมาติกาคือแม่บทตรงนั้นว่าแม่บทนั้นว่าไว้ว่าอย่างไรเราไคร่ครวญตรงนั้นให้ดีตัวอย่างที่ข้าพเจ้าได้เคยยกให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่เป็นประจำเปรียบเทียเหมือนกับว่า เราฟังพุทธพจน์อันใดอันหนึ่งใช่ไหมฟังพุทธพจน์แล้วเอ๊ะเรงไม่เข้าใจนล้วก็ไปถามพระกอไก่เอ๊ะพระกอไก่ก็อธิบายพุทธพจน์นี้โดยอัถะบ้างโดยเปลี่ยนชนะบ้างตามที่ท่านมีความรู้ความสามารถของแต่ละท่านแต่ละคนแล้วก็อธิบายเอาไวา้อธิบายว่าเอ๊ะเราก็มีส่วนที่เข้าใจบ้างส่วนที่ไม่เข้าใจบ้างใช่มถ้าเราเอาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจไปถามภิกษุขอไขอีกรูปนึง พิสุกขอไข่ก็อธิบายคําที่พิกษุกขอไข่อธิบายไว้นั้นนั่นก็อธิบายว่าเอ๊ะเราฟังก็มีส่วนที่เข้าใจก็มีส่วนที่ไม่เข้าใจก็มีันที่พิสุกขอไข่นั้นพูดเราก็เอาคําของพิสุกขอไข่ที่พูดมานี้ในที่เรายังไม่เข้าใจนี่ไปถามอุบาสกข้อควายหรือวอุบาสกข้อควายก็อธิบายคําของพิกษุกขอไข่ให้นะว่าที่พิกษุกข้อไข่พูดงี้ไหมเขาบอกงี้แดีวอุบาสกขอควายก็อธิบายไป เดีเราฟังสิ่งนี้ไปฟังไปเอ๊ะส่วนที่เข้าใจก็มีส่วนดียังไม่เข้าใจก็มีแฮแต่ก็เอาส่วนที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยที่อ so ุบาสกคอควายเขาอธิบายเขาบอกสอนให้ตามความรู้ความสามารถของตนโดยอัฐะบ้างโดยเพียนชนะบ้างเนี่ยเอาก็ไปถามอุบาสิกางองงูแลว่วอุบาสิกางองงูก็อธิบายตามความรู้ความสามารถของตนในคําของอ so ุบาสกคอควายที่เขาพูดกขา อ, อธิบายตรงนั้น้ส่วนที่เข้าใจก็มีส่วนที่ยังไม่เข้าใจก็มีใช่ไหมที่อุบาสิกา งงเขาอธิบายเนี่ยเราอาส่วนที่เรายังไม่เข้าใจเนี่ยไ ป, ไปถามต่อนะไปถามถึงนายฮอนนกฮูกนุ่นนะถ้าถามถึงนายฮอนนกฮูกแล้วเนี่ยสิ่งที่นายฮอนนกฮูกพูดอธิบายเนี่ยอาจจะเป็นคนละเรื่องเดียวกันกันกบสิ่งที่พระพุทธเจ้าเดิมแรกเริ่มอธิบายเลยแต่เป็นคนละเรื่องเดียวกันแน่นอนเพราะว่ามันไกลกันมากเลยแค่44่สิบราบเมื่อกี้ดนูนี่คือลักษณะ ต, ตัวอย่างที่อาจจะยังไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้กลับไปหาตัวแม่บท นัคือตัวสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายบอกสอนเอาไว้แต่สิ่งที่เราควรจะต้องทําในกรณีนี้ธรรมะนั่นคืหมายกวามาอย่างถ้าเราไปฟังธรรมะใดธรรมะหนึ่งนี่เป็นปพุทธพจน์น้าแต่ว่าส่วนที่เข้าใจก็มีส่วนนี้ยังไม่เข้าใจก็มีใช่ไหมเอาเราเอาตรงนี้มาถามพระภิกษุกอไก่ดูพระภิกษุกอไก่ท่านว่ายังไงมีความเห็นไว่ายังไงสับไว่ายังไงตัวความหมายไว่ายังไงท่านทําหน้าที่ของท่านในการที่จะอธิบายขยายความต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่พระภิกษุควรจะต้องทำอยู่ละ เออเราฟังมานี่ส่วนที่เราเข้าใจก็มีส่วนที่เรายังไม่เข้าใจก็มีนะเออทำอยังไงนะเอาเราก็าเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ตอนแรกที่เราไม่เข้าใจเนี่ยไปถามภิกษุขอไข่ไปถามภิกษุขอไขว่าที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างนี้อย่างนี้ในพระสูตรนั่นนั้นนั่ น, น, นเออหมายความว่าอย่างไงเธอมีความเห็นตรงนี้ว่าอย่างไรแต่้โดยบทก็ตามโดยเปลี่ยนชนะก็ตามแต่ภิกษุขอไขก็อธิบายคําที่พระพุทธเจ้านั้นได้ตรัสไว้ เออส่วนที่เข้าใจอธิบายตรงกันกันกนกบภิกษุกอไก่ก็มีส่วนที่อธิบายไม่ตรงกันมีแง่มุมอื่นไปบ้างจากที่ภิกษุกไก่อธิบายไว้ก็มีในส่วนที่เรายังไม่เข้าใจก็มีนะเราก็เอาส่วนที่เราไม่เข้าใจเนี่ยรวมทั้งพระสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เดิมเนะไปถามกับอุบาสกข้อขวายก็ได้แตถามอุบาสกข้อขวายถึงส่วนที่ยังไม่เข้าใจในคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ตรงนั้น เอาสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เน anyway> like ี่ยมาถามอุบาสกคอควายในอุบาสกคอควายก็จะอธิบายประเด็นแง่มุมที่เรายังไม่เข้าใจโดยบทก็ตามโดยเพียนชนะก็ตามตามความรู้ความสามารถของเขาก็อธิบายสิ่งที่เป็นพุทธพจน์ตรงนั้นเส่วนที่เราเข้าใจเพิ่มเติมก็มีส่วนที่เรายังไม่เข้าใจก็มีแล้วก็ไปถามอุบาสิกางองูโดยสิ่งที่เราเอาไปถามนั้นก็เป็นพุทธพจน์เดิมนั่นแหละที่เรายังไม่เข้าใจประเด็นไหนๆก็ตามแต่ที่เป็นเพิ่มเติมขึ้นมาหรือว่าที่ยังขาดแกลนอยู่ แล้วก็ไปถามอุบาสิกางองูแต่ถามไปถามไปเรื่อยๆอย่างนี้ท่านฟังจนถึงฮอนุกู้นะนายฮอนุกู้เนี่ยก็ยังอธิบายสิ่งที่เป็นพุทธพจน์อยู่ในประเด็นหรือแง่มุมต่างๆที่เราอาจจะเข้าใจบ้างเข้าใจยังไม่ลึกซึ้งบ้างหรือยังไม่เข้าใจบ้างแต่ตามความรู้ความสามารถของท่านต่างๆเหล่านั้นตรงนี้แหละคือประเด็นที่ว่าเราจะสามารถที่จะไม่หลงไม่หนีจากคําสอนของพุท ธ, ธาได้ยังเป็นผู้ที่เรียกว่ายังอยู่ในแนวทาง ยังอยู่ในตัวแม่บทอันนี้ถึงจะถูกต้องเพราะฉนั้นเวลาที่เรามาทําความเข้าใจในเรื่องของธรรมะตรรมบุฟังพระพเจ้าจึงพยายามที่จะให้ตรรมบุฟังเนี่ยได้คลับมาฟังสิ่งที่เป็นแม่บทเป็นมาติกาเป็นตัวเริ่มเดิมตีว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศเอาไว้หมุนเอาไว้บัญญัติเอาไว้โดยบทเป็นอย่างนี้โดยเพียนชนะเป็นอย่างนี้ให้ได้ฟังกันให้ได้ทําความเข้าใจกันซึ่งการฟังการทําความเข้าใจนี้เ ร, เรื่องยากก็มีเรื่องง่ายก็มี เราก็ฟังไปลองพิจารณาใกล้ควรดูตอนไหนยากอาจจะฟังซ้ําก็ได้โดยถ้าต้องการฟังซ้ํำก็ไปที่เว็บไซต์ puredma.com p u r e d h a m m a com ที่ น, นมีรายการตอนย้อนหลังให้ท่านผู้ฟังได้ตามไปฟังกันได้เนรวมถึงมีบทคัดย่ออธิบายไว้เป็นเรื่องบรรณาวที่สามารถจะเป็นคีย์เวิร์ดให้ท่านผู้ฟังลองไปค้นหาดูได้ทั้งส่วนที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่านผู้ฟังก็สามารถไปติดตามตรง ข้อมูลตรงนั้นได้โดยวันนังการและวันพูดของทุกๆสัปดาห์ในช่วงนี้เราก็นําพระสูตรเรื่องราวที่เป็นคําสอนสั้นๆ น, นมาให้ทั้งมู่ฟังได้ฟังกันโดยภาษาไทยนั้นเราก็เอาสํานวนแปลโดยส่วนใหญ่มาจากที่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสนั้นได้แปลเอาไว้ส่วนภาษาอังกฤษนั้นก็นํามาจากสํานวนการแปลของท่านโพธิที่เป็นพิกษูชาวอเมริกันที่ไปบวชอยู่ที่ประเทศศรีลังกา มีความรู้ความเชี่ยวชาญแปลพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกในทุกๆนิกายเลยท่านแปลหมดตั้งแต่ตีฆานิกายมัชฌิมน า, ตตานิกายสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายท่านก็แปลเสร็จมาใหม่ๆสดๆร้อนๆในช่วงปีสองปีมานี้เองแต่เชิงข้อมูลต่างๆที่อยู่ในพระไตรปิฎกต่างๆเหล่านี้ภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างเนี่ยทุกท่านครูบาอาจารย์ต่างๆเหล่านั้นท่านก็แปลมาจากภาษาบาลีทำให้เราสามารถที่จะมองเห็นมุมมองต่างๆของภาษา ในรูปแบบการแปลบ้างในการทําความเข้าใจในเรื่องของความหมายในแง่อื่นๆด้วยอันนี้เป็นข้อดีทั้งบูฟังเป็นความพิเศษของรายการในช่วงที่เรามาพบเจอกันในวันอังคารและวันพุธที่จะให้ทั้งบูฟังได้ฟังสิ่งที่เป็น2ภาษานี่แหละคือทั้งภาษาไทยด้วยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยเมื่อวานนี้ได้ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม4อย่าง่ที่จะเป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแถ้าเราจะมีสุขในปัจจุบัน จะมีความสุขความสําเร็จในชีวิตได้ะจะให้บุญมันเกิดผลได้สี่อย่างที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายไว้ให้เครือบดีคนหนึ่งที่เขาชื่อประหยาาะัดปัจชะเนี่ยได้ฟังถึงเรื่องของว่าเอา้าคนเราจะต้องอรู้จักการทําความขยันนะรู้จักมีความขยันทำมาหากินกินไม่ว่าอาชีพใดอาชีพหนึ่งทําเองก็ได้เป็นผู้จัดการก็ได้ทําเองก็ได้จัดให้กระทําก็ไดน้นี่คือข้อที่1นข้อที่สองพอได้ทรัพย์มาแล้ว มีโพกศัพับที่ได้มาโดยทำก็ต้องรู้จักการรักษาป้องกันให้ดีในะให้ถูกต้องตามดำข้อที่3อย่าข้อที่3อันนี้สําคัญนั่นะคือการที่ต้องมีมิตร ด, ดีมีเพื่อนดีแล้วก็ที่4นีะ่ต้องรู้จักการบริหารการจัดการเรื่องของเงินทองให้ถูกต้องนะว่าตรงไหนเข้าตรงไหนออกนะมีความชํานาญรู้ว่าเงินเงินเข้าลดเท่าไหร่หรือว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มเท่าไหร่หรือว่าค่าใช้จ่ายลดเท่าไหร่ในะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องสิ่งต่างๆเหล่า น, นี้ อันนี้จะเป็นผลที่จะทาให้เกิดความสุขในปัจจุบันทีนี้บุญต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็หมดไปได้เวลาที่มันให้ผลแล้วแต่ผลนั้นก็จะเบาลงเบาลงค่อยๆเบาลงแต่เราต้งการความสุขความสําเร็จในชีวิตของเรานั้นก็ต้องมีการสร้างบุญเพิ่มเติมแต่ซึ่งพระพุทธเจ้าถึงได้อธิบายถึงเรื่องของความสุขและที่จะได้ผลเป็นในภพต่อๆไปแต่ฟังสํานวนการแปลตรงนี้ธรรมฟังคือเดิมภาษาบาลี เขาใช้คําว่าสัมปรายะแต่สัมปรายะเนี่ยแปลตรงตัวเลยก็หมายถึงเวลาต่อต่อไปนะคํานี้บางคนก็มีตีความกันไปว่าเป็นพบหน้าชาติหน้าหมายถึงคุณตายจากชาตินี้ไปแล้วคุณก็ไปเกิดชาติใหม่พบใหม่อันนี้หมายถึงสัมปรายะแต่บางคนก็เข้าใจไปอย่างนั้ น, นซึ่งภาษาอังกฤษเขาแปลว่าอย่างนั้นเข แ, แปลว่า next life นั่นคือหมายถึงชาติหน้าแต่จริงๆแล้วโดยคำคำนี้นะคำว่าสัมปรายะเนี่ยอาจจะหมายถึง10ปีข้างหน้าก็ได้ ่จะหมายถึงสภาวะสภาวะใดสภาวะหนึ่งที่จากนี้ไปในอนาคตอย่างเช่นเราเปลี่ยนจากคนหนุ่มเป็นคนแกนะ่ในความแก่เป็นสภาวะสภาวะหนะึ่งในที่คุณจะต้องได้มาแน่ละถ้าคุณอยู่ชีวิตไปถึงตรงนั้นไปถึงตรงแก่นั่นก็เป็นสภาวะหนึ่งเป็นอีกพบหนึ่งเป็นอีกรูปแบบหนะึ่งหรือว่าบางที่เราเปลีปล่ยนแปลงจากคนยากจนเป็นคนมั่งมีในความที่เป็นคนมั่งมีนั่นก็เป็นอีกสภาวะหนึ่ง ที่เป็นไปในเบื้องหน้าดังเพราะฉะนั้นเราฟังสํานวนตรงนี้ดูว่าวิธีการที่จะทําให้มีความสุขในภพต่อๆไปในสภาวะต่อๆไปแตที่ไม่ใช่หมายถึงเฉพาะเจาะจงเฉพาะภพหน้าชาติหน้าอันนี้ก็ด้วยดังนั้นพระพุชธาก็จะได้ตรัสถึงวิธีการป้องกันทรัพย์ว่าจะทํายังไงไม่ให้ทรัพย์ที่เรามีเนี่ยมันรั่วไปนั้นได้พูดถึงอบายมุข4อย่างด้วยกันท ร, ราพุทธเจ้าได้ตรัสไว้กับเ ร, ระบดี ที่ชื่อว่าพยักข้ประชะแต่เนื่องจากที่เราได้ฟังเมื่อวานนี้ไปท่านพระเาได้ตรัสไว้อย่างนี้บอกว่ากระดับพอดีปากทางแห่งความเสื่อม4ประการของโผกขะที่เกิดขึ้นพร้อมแล้วอย่างนี้มีอยู่คือความเป็นนักเลงเจ้าชู้ความเป็นนักเลงสุราความเป็นนักเลงการประดันและการมีมิสาหาิเพื่อนฝูงเหลวสาม เปรีเหมือนทางน้าเข้าสี่ทางทางน้าออกสี่ทางของบึงใหญ่มีอยู่บุรุษปิดทางน้าเข้าเหล่านั้นเสียและเปิดทางน้าออกเหล่านั้นด้วยทั้งฝนก็ไม่ตกลงมาตามที่ควรเมื่อเป็นอย่างนั้นความเหมือนแห้งเท่านั้นที่หวังได้สำหรับบึงใหญ่นั้นความเต็มเปี่ยมขึ้นไม่มีทางที่จะหวังได้ข้อนี้ฉันใด ผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้นสำหรับโภคทรัพย์ที่ถึงพร้อมแล้วอย่างนี้มีปากทางแห่งความเสื่อมสี่ประการคือความเป็นนักเลงเจ้าชู้ความเป็นนักเลงสุราความเป็นนักเลงการพนันและการมีมิจฉ า, ายเพื่อนฝูงเลวสาม The wealth first amassed has four sources of dissipation: womanizing Drunkenness, gambling, and bad friendship, bad companionship, bad comradeship. Just as if there were a large reservoir, with four inlets and four outlets, and a man would close the inlets and open the outlets, and sufficient rain does not fall, one could expect the water in the reservoir to decrease. Rather than increase, so the wealth thus amassed has four sources of dissipation: womanizing, drunkenness, gambling, and bad friendship, bad companionship, bad comradeship. Correctly, s ามเ e ริญ4ประการของโ r o s p ัพ i t ที่ a t have a l r e a แล a วอย่างนี้มีอยู่ คือความไม่เป็นนักเลงชั่วชู้ไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเลงการปนันและการมีมิสหายเพื่อนฝูงดีงามบริเหมือนทางน้ำเข้าสี่ทางทางน้ำออกสีทางของบึงใหญ่มีอยู่บุรุษเปิดทางน้ำเข้าเหล่านั้นเสียและปิดทางน้ำออกเหล่านั้นด้วยทางฝนก็ตกลงมาตามที่ควร เมื่อเป็นอย่างนี้ความเต็มเปี่ยมเท่านั้นที่หวังได้สำหรับบึงใหญ่นั้นความเหือดแห้งเป็นอันไม่ต้องหวังข้อนี้ฉันใดผลที่จะเกิดขึ้นก็ฉันนั้นสำหรับพภคเขาทย์ที่เกิดขึ้นพร้หมแลอย่างนี้มีบาวตาแห่งความเจริญสประการคือความไม่เป็นนักเลงเจ้าชู้ไม่เป็นนักเลงสุรา ไม่เป็นนักเลงการพ น, น, นันและความมีมิสหายเพื่อนฝูงดีงาม The wealth first amassed has four sources of accretion: one avoids womanizing, drunkenness, and gambling, and cultivating good friendship, good companionship, good comradeship. Just As if there were a large reservoir, with four inlets and four outlets, and a man would open the inlets and close the outlets, and sufficient rain falls, one could expect the water in the reservoir to increase rather than decrease. So the wealth amassed has four sources of accretion. one avoids womanizing, drunkenness, gambling, and cultivates good friendship. กระบรดี่วนทำอีกสีประการต่อไปนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขของกุลบุตรในเวลาต่อต่อไป4ประการคือความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล ความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจากะคือการให้การบริจาคและความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา And there are these four other things that lead to a cleansed man' welfare and happiness in future lives. And what for? That is the accomplishment in faith, accomplishment in virtuous behavior, accomplishment i n g e n e r o s i t y and accomplishment in wisdom ก็ความถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระธถากฏเจ้าว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยรโรงเอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารนะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุตรที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมออกสร้างสอนสัตว์ นี่แหละเรียกว่าพูดถึงพร้อมด้วยศรัทธาหรือศรัทธาสัมปทา and what is accomplishment in faith here a c l e a n s man is endowed with faith he places faith in the enlightenment of the tathagata thus the blessed one is an arahant perfectly enlightened Accomplished in true knowledge and conduct, fortunate, nor of the world, unsurpassed trainer of persons to be tamed, teacher of devas and humans, the enlightened one, the blessed one. This is called accomplishment in faith. ก็ a วามถึงพร้อมด้วยศี n หรือศีละสมปัตเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการมเป็นผู้เว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการดื่มสุราและไม่ไรอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่แหละเรียกว่าความถึงพร้อมด้วยศีล รือศีลสัมปทา and what is accomplishment in virtuous behavior here a cleansed man abstains from the destruction of life abstains from taking what is not given abstain from sexual misconduct abstain from false speech abstain from liquor wine and intoxicants The basis of heedlessness. This is called accomplishment in virtuous behavior. ก็ความถึงพร้อมด้วยการให้การบริจาคหรือจาคสัมบัาเป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้มีใจปราศจากความตำหนีอันเป็นมนตินอยู่คลองเรือนมีจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำ มีฝ่ามืออันชุ่มอยู่เป็นปกติยินดีแล้วในการสละควรแก่การขอยินดีในการจำแนกแจกทานนี่เรียกว่าการถึงพร้อมด้วยการให้หรือจากค่าสมปัตา And what is accomplishment in generosity? Here a c l a n s man dwells at home with a heart devoid. Of the s t a i n of m i s e l l i n e s s freely, generous, open-handed, delighting in relinquishment, one devoted to charity, delighting in giving and sharing. This is called accomplishment in generosity. g m a d morning. p r a t u s the m y a p a n y a samatha, เป็นอย่างไรเล่าคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาคือเรื่องให้ถึงสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการตั้งอยู่ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นไปจากข่าศึกอันเป็นเครื่องจอแทงกิเลสเป็นเครื่องให้ถึงความสิ้นใบแห่งทุกโดยชอบนี่แหละเรียกว่าความถึงพร้อมด้วยปัญญาหรือปัญญาสัมปทา And what is accomplishment in wisdom? Here, a clansman is wise; he possesses the wisdom that discerns arising and passing away, which is noble and penetrative, and leads to the complete destruction of suffering. This is called accomplishment in wisdom.